พูดได้เลยว่าท้านาคคนใดก็ตามถ้าทองไม่ได้ไม่ให้บวชบางั้นอันนี้คือหลวงพ่อพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่พูดเฉพาะคนใดคนหนึ่งถ้าว่าขานานาคไม่ได้ไม่ให้บวชนะเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่อไม่ใช่ของหลวงพ่อกําหนดขึ้นเป็นผู้บัญญัติขึ้นหลวงพ่อก็เป็นผู้อาศัยพึ่งพาอาศัย ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอีกต่างหากทีนี้เราจะมาทําลายกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้วเราจะยืดจุน่นจนเกินไปมันก็ไม่ได้แต่ผิดนิดนนหน่อยเขาไม่เป็นไรเหมือนกับพวกเอพิพากษาอายการตํารวจรักษากฎหมายอย่างนั้นแหะแต่ถ้านิดหน่อยไม่เจตนาหรือว่าขาดตกขาดหล่นไป แต่มุ่งมั่นอยู่อยากจะให้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เน้นิดต่ดน่อยเอออันนั้นก็หยวนไม่ใช่ว่าผิดคำหนึ่งก็จะจัดการไม่ให้บวชเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นผู้รักษากฎหมายก็เหมือนกันถ้าว่าถ้าผิดนิดหน่อยดูเจตนาเป็นหลักถ้าเจตนาเขาผิดพลาดเพราะว่าบางครั้งเน้นๆหน่อยๆก็เอาอย่าทำอีกนะหยวน แต่ถ้าว่ามันเจตนาจริงจริงอันนั้นก็ต้องจัดการตามกฎหมายนี่ก็เหมือนกันพวกเราเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าก็ต้องดูว่าความเหมาะสมเป็นยังไงถ้าว่าท่องไม่ได้เพราะเหตุใรแต่อยากบวชอยู่แต่ท่องไม่ได้ก็พยายามพยายามเออก็ช่วยบ้างเพราะเจตนาดีแล้วก็บวช อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเราต้องดูแต่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยจุดนี้เนี่ยเราไปค้นดูแล้วไปดูต้นตอพระบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยคือช่วงแรกพระพุทธเจ้า บ, ญญาาบวชพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากอย่างบวชปัญจวัคคีย์ทั้งห้าดพอพวกท่านได้สาเร็จ มักสำเร็จผลเป็นพระอระหันต์อย่างพระอัญญาโกนธัญญาเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันท่านก็กล่าวว่าเอหิพิขุอุปสัมปทาเอหิพิคุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทมเรากล่าวดีแล้ว เ, เพียงสามสี่ห้าคำนั่นะคนนั่นก็เป็นพระเลย กบุตในพระพุทธศาสนาเป็นพระสมบูรณ์จากนั้นท่านก็สําเร็จมรรคสําเร็จผล เ, เป็นพระทั้งภายนอกอยู่ในฟอร์มภายนอกกับเป็นพระใจของท่านกับเป็นพระอันนั้นไม่มีปัญหาเพราะใจของท่านเป็นพระพอต่อมาอีกคนศรัทธาเลื่อมใสามากอยากจะบวชพระพุทธเจ้าว่เออจะนํามาบวชกับเราเป็นผู้กล่าวเอหีพิกขุไม่ได้มากเกินไป ให้พวกท่านบวชเองเถอนะให้เขากล่าวน้าโมตสะจากนักพุทธทางธรรมังสังครสามครั้งยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเ่ว่าให้บวชได้เลยพอต่อมาอีกทีนี้พระสงฆ์มักง่ายขึ้นทีนี้เห็นว่าบวชง่ายเห็นมาตามถนนหนทางกระจับบวชหมดทีนี้พอบวชแล้วได้แต่ยูนิฟอร์ม แ้แต่สีสานล้นกับผ้าเหลืองแต่พอบวชแล้วชนิดออกนอกลูกนอกทางทเทนี่ เ, เห็นบิณฑบาตไม่ได้เห็นเขากำลังกินข้าวทานอาหารชูบาตเข้าไปขอในวงข้าวของเขาผลที่สุดคนในยุคนั้นสมัยนั้นพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อากก้ออวนเห็นพระรุ่นใหม่ส ว, วดลวดพูดง่ายๆไม่มี อย่างอายไม่มีฮิโอตปะอด้านวา ง, งั้นเถอะเนี่ทีนี้ก็คนทั้งหลายเขา็ติเตียนอีกอลูกศิษย์ของสมมณะโคโดมเลยทําไมจึงมีนิสัยอย่างนี้พระพุทธเจ้พพ า, พ ร, พ, า, พ, ร พ, าพระสงฆ์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดพระสงฆ์ก็หาต้นเหตุหาเรื่องราวหาต้นเหตุว่า ง, งั้นะค้นหาเหตเุมันมีเหตุยังไงมันจึงมีผลอย่างนี้ก็ค้นหาเหตุ พอค้นหาเออพระสงฆ์บวชให้ง่ายเกินไปใครอยากบวชก็ได้บวชโดยที่ไม่ได้กันกรองให้ดีก่อนเพราะพระเจ้าเลยบัญญัติวินัยขึ้นมาอีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลระบุตสุดท้ายภายหลังที่จะบวชต้องแสดงความจำนงต้องแสดงความจำนงซะก่อนอต้องพูดให้ได้ด้วยตนเองก่อนไม่ให้นำไม่ให้นาพาพูด เพราะว่าบวชเข้ามาแล้วผมไม่อยากจะบวชอาจารย์พานาให้ผมพูดปุก็พูดไปอย่างนั้นแหละผมก็ได้ได้บวชอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายพูดที่กล่าวได้ซะก่อนจึงให้บวชนี่แหละความเป็นมาของพระวินัยเพราะนั้นเรามาบวชสุดท้ายภายหลังเราก็รู้แล้วว่าวินัยต้นบัญญัิเป็นมาอย่างไงเราจะไปย้อนยุกเอาแบบง่ายๆ บวชเข้ามาแล้วพระสงฆ์บวชเข้ามาแล้วไม่รู้จักคุณค่าทำออกนอกรีดนอกรูนอกทางทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียใครเป็นคนทำให้เสื่อมเสียพวกที่บวชก่อนท่าอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศอยากจะเอาใจลูกสิตลูกหาเออเขามาบวชกระจับบวชเลยทั้งที่พูดอะไรก็ไม่ได้เอสาหังก็ไม่ได้ไม่แสดงความจำลงเอง เออพอบวชเข้ามาแล้วก็พระไม่รู้จะทํายังไงเข้ามาอยู่ก็อยู่อย่างนั้นล่ะโ ต, โตโตเต๋อแต่ละวันไม่เห็นไม่เห็นทํางานอะไรอยู่เป็นวันวันไปไม่เห็นทํางานอะไรนี่แหละเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาบวชเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ศึกษาแต่ตามไม่จริงงานของพระนั่นคืออะไรเราได้เรียนได้ศึกษาไหมงานของพระนั่นคืออะไรท่านให้ทําอะไรเออถ้าว่าเราได้ศึกษาแล้ว งานของพระนั่นคือสู้ทางจิตใจฝึกฝนจิตใจนั่งภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งจากนั้นเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเราจะกําหนดดูและจะสอนจิตใจของตนเองยังไงถ้าใจของเราคิดออกนอกนอกลู่นอกทางคิดโมโหโตโสโกโทามอันนั้นคือกิเลสไง เรารู้ไหมว่ากิเลสนั่นคืออะไรแต่เราเกิดมายังไม่รู้พอบวชเข้ามาแล้วมาอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ดูถูกพระพุทธศาสนาอีกนี่แหละเพราะว่าคนไม่รู้เพราะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยมันจะต้องศึกษาให้เข้าใจบวชเข้ามานี่มีจุดประสงค์อะไรไม่ใช่วบวชเข้ามาได้ผ้าเหลืองกับศีสาโลนเท่านั้นไม่ใช่อันนั้นคิดผิดต้องคิดใหม่แหละ เมื่อบวชเข้ามาเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาเอออันนั้นใช่มีส่วนหนึ่งแต่ว่าเราคุณทำคุณงามความดีไหมออพ่อบวชเข้ามาแล้วจะทดแทนอย่างเดียวไม่ได้ เ, ออเหมือนกับเราเออพ่อแม่ส่งให้ไปเมืองนอกเอาไปก็ไปพ่อแม่ส่งให้ไปเพื่อพ่อแม่อยากให้ไปแต่พอไปแล้วตัวเองไม่ทำงานล่ะ เ, เพอเพลยังไปทำความชั่วอีกเออป็นต้มเล่าให้แขกกินอีก แขกมุสลิมเขาจับแช่ไวมาหวดหลังอีกหลังหลยกลับมาบ้านอีกมันลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพอเขามาบวชได้ผ้าเหลืองกับสีสะล้นแล้วก็มาอยู่วัด พ, พ่อพ่อแม่อยากจะให้มาอยู่แต่เขามาอยู่แล้วไม่ได้ฝึกหัดดัดนิดสัยไม่ได้ขัดเกลากายวารใจใจคงตนเลยอันนี้มันไม่ถูกนะท่นนี่วิธีขัดเกลาขัดเกลายังไงมันก็ต้องศึกษา เพราะวิชาในโลกนี้มันมีมาก<อ>แต่ขณะจะทำขนมแต่ละอย่างเราก็ต้องก็ยังศึกษาก็ยังเรียนก็ยังถามคู่คนว่าทำยังไง อ, อ, อันนี้วิชาของพระพุทธเจ้าที่จะถอนกิเลสออกจากจิตจากใจพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเราจะมาทำแบบง่ายๆได้เหร อ, อมันไม่ใช่ทำของได้ง่ายๆเหมือนกันต้องศึกษา<อ>การศึกษานะทาอะไรยังไงนี่แหละ ตงพยายามทีนี่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องสมาธิใช่ไหมเรื่องศีลใช่ไหมศีลมีกี่อย่างรักษาศีลเพื่ออะไรทําสมาธิเพื่ออะไรและปัญญาปัญญาเรื่องอะไรคลี่คลายเรื่องไหนเนี่ยในนี้มันเป็นขั้นตอนไปแล้วท่นเนี่ยเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเพื่อการศึกษามาเพื่อฝึกหัดดัดนิสัย มาเพื่อกล่อมกล่าชําระใจของตอนเองเป็นหลักจากนั้นเมื่อชําระใจได้แล้วกายวาจาที่เป็นลูกน้องก็อยู่ในโอวาทเมื่อใจเป็นหัวหน้าหัวหน้าดีแล้วนะสั่งให้กายกระทำออกไปก็ไม่นอกรูนอกทางอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดี จะพูดออกไปก็เป็นวาจาที่ไม่ชวนทะเลาะไม่กล่าวร้าวไม่แสลงหูคนอื่นเขาไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมถึงจะแสลงหูแสลงหูกิเลสใ ช, ชเ่เพราะบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็ต้องบอกขึ้นไปไมันจะให้ถูกหูเขาทุกอย่างเหมือนกับร้องราทาเพลงให้เขาฟังคงจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็พูด แต่พูดนั้นเป็นสุภาษิตไหมหรือว่าเป็นทุภาษิตสุภาษิตก็คือเป็นวาจาที่ดีมีประโยชน์ฟังไปแล้วถึงจะไม่พอใจในขณะนั้นแต่เขาฟังไปแล้วนําไปพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วยอมรับว่าที่ได้ฟังมานั้นไม่พอใจครั้งแรกแต่ว่าเมื่อได้ฟังมาแล้วเป็นที่ถูกต้องถูกต้องพอใจเพราะท่านพูดถูกเนี่ ย, ยกิเลสของเราเขาไปต่อสู้ไปต่อต้านเฉย เออนี่อันนี้เราก็ให้รู้ท่านพูดเป็นสุภาษิตท่านแนะนำสั่งสอนในไปในทางที่ดีแต่เราผู้ฟังเท่านั้นเอากิเลสไปสู้ท่านนะอันนี้เราก็ต้องต้องไต่ตรองด้วยเหตุและผลให้ดีแต่ถ้าว่าเราไต่ตรองด้วยเหตุด้วยผลให้ดีแล้วนั่นะ่ะเราจะเป็นบัณฑิตนะบัณฑิตผู้มาศึกษาต่อไปก็ขัดเกลาร สิ่งที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็พยายามละออกในจิตใจของเราอันนี้เป็นว่าผู้มาศึกษาผู้มาศึกษามาค้นคว้ามาศึกษามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าพอมาบวชล้วก็ได้ศีรษะโล้นกับผ้าเหลืองจากนั้นก็มาอยู่ในวัดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็จะถามใครก็ไม่กล้าถามจะฟังอะไรก็ไม่กล้าฟังตู้พระธรรมเลยโดยวัดของเราเ่ยบักใหญ่เลยกุฏิทังหลัง หนังสือนะเป็นหมื่นๆเป็นร้อยร้อยพันๆเล่มศึกษาดูสิทำคําสั่งสอนอยู่นั่นถ้าเรามานอนอยู่เฉยๆจะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนเกิดกระรอกกระแตหมูป่าไอ้กเจก๊งมาอยู่ในวัดของเรามีตะกรวดมีตัวเงินตัวทองมานอนอยู่ในวัดของเราเนี่ยอก็ไม่เห็นว่ามันพิเศษพิโสอะไรเพราะเหตุอะไรเพราะมันเป็นสัตว์มานอนอยู่อันนี้ก็เราเหมือนกันถ้าเราเข้ามาแล้วไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ ไม่ขัดไม่เกลาไม่ภาวนาไม่ฟังไม่ศึกษาแล้วมันก็ไม่แพ้เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นแหละที่มันมาอยู่ในวัดมันก็ไม่เห็นว่าจะเจริญที่ตรงไหนมันก็เป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราเข้ามาแล้วไม่ฝึกหัดดัดนิสัยไม่ขัดเกลาไม่ปฏิบัติมันก็เท่านั้นแหละเพราะนั้นพวกเราเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อพูดให้ฟังให้เปรียบเทียบให้ฟังให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเหมือนกันนั่นแหละ จริงไหมถ้าพวกเราเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติไม่ศึกษามาอยู่มากินเฉยเฉยไม่ไดนะ้เพราะนั้นต้องฟังต้องศึกษาแล้วก็เข้ามาแล้วก็การบวชเนี่ยคือจุดหมายของพระพุทธเจ้านะั่นคืออะไรที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าอยู่หกปีนั้นค้นคว้าเรื่องอะไรเขาต้องศึกษาดิบรมครูที่ท่านไปค้นคว้าอยู่หกปีนะ่ะไปค้นคว้าเรื่องอะไร เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขาไปค้นคว้าเรื่องเรื่องอะไรแล้วผลออกมาเป็นยังไงออันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะพวกเราก็เนํายนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็เหมือนขามาที่ท่านค้นคว้าได้แล้วสูตรสําเร็จแล้วพวกเรามีแต่เดินตามเท่านั้นะขณะเดินตามก็ยังร้องโ hom ร้องให้อกีรติกระชากซ้ายกระชากขวาอดึงหน้าดึงหลังอีลงตุงนางไปหมด ยังไปยากทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูท่านเดินนําหน้าก่อนแล้วท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราปฏิบัติเนอะเขามาบวดในครั้งนี้ทั้งพระเก่าพระใหม่นั่นแหละการภาวนากระทํามจิตใจให้สงบกําหนดภาวนาพุทโธพุทโธท่าใจของเรามันไปออกไปนอกลูกนอกรังกัดึงตามว่าเราคิดเรื่องอะไรใจของเราคิดเรื่องอะไรพยายามตั้งสติ ให้มีสติสัมปชัญญะให้เข้มแข็งอจากนั้นเหมือนกับดวงตาท่านว่าเหมือนกับเรานํารอยโคอย่างนั้นอ่ะอโคนั่นก็คือเอใจของเรามันคิดเรื่องอะไรตามตามตามไปเรื่อยผลที่โชดก็ไปจับอจับรอยโคคือจับตัววัวได้พอจับตัววัวได้แล้ยให้มันหยุดนิ่งเเนี่แหละพยายามให้นิ่งไม่ต้องเมื่อเราภาวนานเราไม่ต้อง ไปดูรอยโคอีแล้วพอเห็นโคแล้วอย่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นะถ้าเมื่อเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทพอใจมันนิ่งมันรวมเข้ามาแล้วเราก็ไม่ต้องบริกรรมวางกรรมฐานเลยดูใจเลยสดูตัวผู้รู้ตัวจิตตัวที่มันนึกคิดเพราะจับมันได้แล้วเนะี่ยเพราอจับมันแล้วก็ดูจอกาหนดดูอย่างนั้น น, ะนี่แลหละ จุดนั้นจะเป็นยังไงต่อไปไม่ต้องพูดแล้วก็ให้กําหนดไปอย่างนั้นน่ะให้ดูใจพอกําหนดดูแล้วก็ดูใจกรรมาฐานไม่ต้องบริกรรมอีกเอพอจับตัวมันได้แล้วะถ้ามันเพลอออกไปเอาจับบ ร, บริกรรมเข้ามาอีกพุทโธพุทโธอีกมันกลับเข้ามาอีกจับนิ่งดูกําหนดดูใจดูความรู้สึกนะ่ะให้มันออกไปตามสัญญาและสังขาร สัญญาคือความจาได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งให้มันหยุดทั้งหมดเอาสติจอยเข้าตัวนั้นดูดูจุดนั้นทีเดียวไม่ให้มันออกไปข้างนอกไม่ให้มันออกไปข้างอื่นเป็นยังไงนั่นแหละจิบมันจะไปไหนทีนี่มันก็ลงสู่ความสงบได้เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะปฏิบัติอย่างนี้แหละคือพยายามทำจิตให้สงบจากนั้นก็ที่นามาพิจารณาทางด้านปัญญา วิปัสนาต่อไปนี่แหละ ว, วิธีการปฏิบัติเนะี่ยการบวชเข้ามามีจุดหมายปลายทางอะไรทำไมเราจึงได้บวชบวชเข้ามาแล้วศึกษาเรื่องอะไรเพราะบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจพยายามเรียนพยายามศึกษาพยายามให้มันได้อย่างที่หนะลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรบวชครั้งแรกบวชยังไงครั้งที่สองบวชยังไง บวชครั้งที่สามเป็นยังไงทําไมจึงบวชมีบวชครั้งที่สามเพราะว่าครั้งพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาใหม่นั้นทําเลอะเลอเถอะอทําตัวไม่ดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ขอเก่อนจึงให้บวชไม่ใช่บังคับให้บวชไม่ใช่ขอร้องให้บวชให้เจ้าตัวขอก่อนข้าพเจ้าขอบวชขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบวชข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็น พระที่ดีเมื่อได้บวชแล้วนั่นแหละเออเทนี้พระสงฆ์เจ้าเขามาบวชเราไม่ได้ขอร้องเจ้ามาบวชนะเจ้าพูดเองไม่ใช่เหรอก็นี่มีหลักยืนยันใช่ไหมถ้าหากว่าบวชเข้ามาแบบก่อนๆนั่นกะ็เอ้าผมไม่ได้อยากบวชเลยท่านพานําเป็นผู้บอกให้ผมบวชบังคับให้ผมพูดอีกต่างหากผมไม่อยากจะบวชผมก็ว่าไปตามอย่างนั้นละ่ะผมผมบวชแล้วผมก็ไม่ไม่ปฏิบัติตามจะมีอะไรผมผมไม่อยากบวชเนี่ย พระจะทำยังไงได้เนี่ยอเพราะนั้นหลวงพ่อไม่อยากจะให้ย้อนยุคย้อนสมัยไปถึงจุดนู้นนะอเพราะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้ดีแล้วพวกเราต้องเคารพศักการะแล้วก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยจากนั้นก็บวชเข้ามาแล้วก็ทำยังไง จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าพาพระพุทธปฏิบัติพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าอะไรหกปีนั้นให้พวกเราศึกษาในพุทธประวัติจากนั้นก็เมื่อศึกษาค้นคว้าแล้วนั่นแหละให้ทําสมาธิให้ได้ทีน้เมื่อทําสมาธิดีแล้วนั่นแหละนัตถิสันติปรังสุขขังความ ส, สุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะเพื่อให้พวกเราได้ ฟังได้ศึกษาหนะ้าแล้วกัปฏิบัติที่ทํามาบวชในพุทธศาสนามาบวชในครั้งนี้หลวงพอว่อเป็นผู้โชคดีน ะ, เ, ะเพราะว่าเราบวชในโครงการองค์หลวงตาองค์หลวงตาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมือง เ, อเป็นที่เรื่องลือพวกเราได้บวชเข้ามาแล้วก็ต่อไปภายภาคหนา้าเออสมัยนั้นปู่ตาเนี่ยเคยบวชอุทิศบูชาพระคุณอหลวง ปูใหญ่นะหลวงตามหาบัวนะ เ, เราก็คุยได้เพราะงั้นถ้าอยากจะคุยนะถ้าไม่อยากจะคุยก็อยู่ในจิตในใจเป็นบุญเป็นกุศลลึกๆในจิตในใจของพวกเราที่เราได้บวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหลักพระธรรมคําสั่งสอนอพวกเราให้ศึกษาปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานก็มีหนังสือประวัติหลวงปูม่มันก็มีในวัดของเราเอาไปอ่านเอาไปศึกษา หยดน้ำบนใบบัวหนังสือลงตาก็มีเวลากลางคืนดึกสงัดตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปกับฟังอ่าเอ่มฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมในวัดของเราเสียงชัดเจนแต่ละคืนฟังเลยนั่นแหละคือทางปฏิบัติต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฮนะเพราะเราเข้ามาศึกษาธรรมะนะเราต้องฟังธรรมะไม่ใช่เรามาฟังเพลงถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเราเราต้องฟังร้องราทาเพลง แต่มาอยู่ในวัดเราต้องมาฟังธรรมะ เ, เมื่อออกไปแล้วเราจะฟังยังไงก็ได้แต่จุดนี้อย่าฟังอย่าฟังเพลงนะอย่าฟังลํานะอย่าฟังดนตรีนะให้ฟังธรรมะเท่านั้นเหมือนนมาอยู่วัดสามเดือนให้ตลอดปลอดปลอดภัยให้ขาวสะอาดในจิตในใจของเรานะเพราะว่าเราเข้ามาศึกษานะไม่ใช่ว่าเราเข้ามาศึกษาแล้วทําออกนอกรูนอ ก, ก, นอกทางไม่ได้นะอันนั้นไปวัด ทำลายพระพุทธศาสนาเหยียบย่ำพระธรรมคําคสั่งสอนเหยียบย่ำพระพุทธศาสนาโดยไม่เจตนาไม่เจตนาเสียหายได้นะเพราะนั้นอย่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าทำอย่างนั้นเราเข้ามาบวชแล้วตรงเชิดชูบูชาคือปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนะอรรถพร อ, อนุโมทนาให้พร